วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดลวงพ่อกลับมาวัดเมื่อวันที่ยี่สิบนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองแต่หลวงพ่อไปที่ใดก็ตามและะ้วคณะทศไทยจาโฉมลูกหลานโดยมาก ไปวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดต่างๆหรือว่าสวนรัชการเวลาไปแสดงธรรมหรือว่าไปกิจนิมนต์ที่เขาถวายโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปแสดงธรรมอย่างที่วัดหลังสารอย่างนี้เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงพูเทศเทศรังสีและก็หลวงตามหาบัวอยู่ในอาคารเดียวกัน ที่ไปวางซี้ระเลิกเมื่อวันที่สิบเก้าสิบเก้าทันวาคมห้าแปดเวลาสิบสูนทรนอหลวงพ่อได้แสดงทํามในกอนก่อนวันที่สิบเก้าเย็นวันที่สิบแปดเขาก็ถวายถวายจตุปัจจัยกันเทศมาสองหมื่น สองหมืนเจ็ดพันบาทหลวงพ่อเออเอามอบให้กับสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานอะและก็พร้อมกันหลวงพ่อเอาจตุปัจจัยของวัดของศรัทธาญาติของของวัดของหลวงพ่อสมทบเข้าไปอีกหนึ่งแสนบาทรวมแล้วเป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทลูกหลานอนุอนโมทนาเนอะ อันนี้คือการวางประถมมะเลิกจากนั้นเข้ามาก็มาฉันที่ส า, สาธารณาสุขจังหวัดหนองคายวันที่20เชา้าพอฉันเสร็จแล้วก็พูดปรับเรื่องการสร้างโรงพยาบาลของอำเภอสังคมของหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อจันมี ที่จะสร้างให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมตึกห้าชั้นรวมแล้วก็งบมากพอสมควรอยู่ทั้งเครื่องมือเครื่องไมพ้พร้อมกับประมาณร้อยกว่าล้านเขาถวายจะถตุปัจจัยในงานของสาธารณสุขถวายมาสามหมื่นกว่าบาทสามหมื 8, นะ่นแปดหลวงพ่อก็เออ จัดไตปัจจัยจำนวนนี้มอบให้กับสร้างอาคารตึกโรงพยาบาลอเาเภอสังคมนอแต่่าก่อนหน้านี้หลวงพอ่อเคยถวายมารอบหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วแ่ะแต่คราวนี้ก็ถวายอีกปอเลยสมทบปอเพสสัดสมทบเขาอีกหนึ่งหมืนก็เป็นวนาได้สี่หมืนกว่าบาทวันที่ยี่สิบ แนนะ่่ะโดยโดยมากหลวงพ่อไปนสถานที่ใดถ้าพอเกิดประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์นะหลวงพ่อคงไม่ได้นําจตุปัจจัยมาวัดนะมีถวมอบหมายมอบฝังให้กับในสถานที่นั้นๆ เ, เว้นเสียแต่ว่ไปบริษทัทห้างร้านเรือกว่าห้างทรัพสินค้านะถ้ามีคนมาถวายเอออันนั้น หลวงพ่อก็ให้โู้ติด ต, ตามนำละโอนเข้าบัญชีวัดเพื่อดูแลวัดวาศาสนาเพราะวัดของเราก็มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้เหมือนกันอย่างข่าน้ำข้าวไฟไม่ใช่ฟรีนะทั้งไฟทั้งน้ำแล้วก็อาหารการบริโภคพระเน่นเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะำจำเป็นได้ใช้จะถูกปัจจัยเหมือนกันอันนี้เราเมื่อจาเป็นมา เราก็ได้ใช้เพราะนั้นบางส่วนเราก็เอามาเป็นปัจจัยของวัดแต่บางส่วนเราก็มอบให้กับสาธารณะนี่แหละที่หลวงพ่อไปแต่ละครั้งนะคณธธาญาติโยมลูกหลานไปก็เพื่อให้ชุมชนสังคมบางทีคนมากบางน้อยบางแต่างานหลวงปู่มั่น งานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มันพอเทศจบหลวงพ่อก็สมทบเขาอีกแสนขวบบาทรวมทั้งค่าการเทศด้วยนะนี่แหละอันนี้ก็คือไปนักสถานที่ใดที่เป็นสร้างสาธารณประโยชน์หเอสร้างเจดีย์สร้างอาคารโรงพยาบาลโรงเรียนโดยมากหลวงพ่อจะมอบสมทบนะอันนี้คือการ เล่าให้ลูกหลานได้ฟังว่าการที่หลวงพ่อไปน่าสถานที่ต่างๆได้ทำคุณูปการต่อประเทศชาติต่อชุมชนสังคมอย่างไรบ้างถ้าไม่หลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานเขาคงจะไม่เข้าใจในจุดนี้เหมือนกันในการดูแลจัดหาการบริหารหรื อ, รอรการสงเคราะห์ชุมชนสังคม แต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการวางตัวเขาเกิดมาในพื้นมนุษย์ไม่เกิดปึกมาได้พบพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านสอนให้วางตัวอย่างไรหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องสิงขาลมานพให้กับพวกพระลูกพระหลานคณะสัตธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังการวางตัว ปฏิบัติตนอย่างไรใ น, ในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นโลกใบนี้ควรจะทำตนอย่างไรทาว่าวางตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้ก็สิงขาลมานพนะอย่างเมื่อวานนะแต่อันนั้นคือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ในชุมชนและสังคมแต่ส่วนตัวเข้ามาอทีกไ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการอยู่ด้วยกันควรจะเป็นผู้มีศีลศีลห้าเนะี่ยคือศีลคุ้มครองโลกศีลมาตั้งแต่ดึกดำบันศีลทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขแต่แต่ยุคใดสมัยใดถ้าว่าไม่มีกฎหมายทางจักรไม่ก่อนยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองโลก โลกสมัยนั้นเขาก่อนนี่แหละใช้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมนี่แหละศีลธรรมคือศีลห้านี่แหละเป็นศีลคุ้มของโลกคนที่มีศีลห้าเชื่อในศีลห้าปฏิบัติต่อศีลห้าให้ถูกต้องคือเขาเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเขาเราเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเมื่อเราไปขโมยของเขาหมักเขามาขาโมยของเรา เมื่อเราประพฤติประรลาบปร ะ, ปร ะ, ประลวงในสามีภรรยาลูกหลานของเขา <_ m any> เขามาทำให้กับเราเราโกหกเขาเขามาโกหกเราเราดื่มสุราขาดสติเป็นบ้าฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติประรลาบประลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดสตินี่แหละสินข้อที่ห้าเนี่เป็นสินเพดานไอเป็นสิน หลังคาหลังคาบ้านคุ้มครองหมดทั้งสี่ข้อถ้าว่าคนขาดเตีแล้วมันทำได้ทุกอย่างจริงไหมพวกเราคิดดูอย่างบ้าคนบ้าเราจะไปไว้เนื้อเชื่อใจได้ไงถ้าเป็นเขาอารมโมโหโกรธขึ้นมาแล้วเราจะไปเข้าไปใกล้เขาได้ไหมคนที่เป็นบ้า นี่ะคนที่ขาดจติตใก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันอันนี้เราชี้ประเด็นให้ฟังว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสําหรับสาธุชนคนพนโลกถ้ายุคใดสมัยใดเคารพในศีลห้าคนที่มีศีลห้ามากในยุคนั้นสมัยนั้นโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนใดไม่เคารพศีลห้ามองศีลห้าเป็นอริเป็นศัตรู เป็นของคือของล้าสมัยไม่ทันสมัยเหมือนตัวเองตัวข่าไระเจ้านี่แหละทันสมัยอยากจะฆ่าใครขาฆ่าอยากจะ ข, ข, จะขโมยใครขา ข, าขาโมยอยากจะลาบลาอร่วงในสามีภรรยาไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีใครต่อใครโกหกใครก็ได้ดื่มโรดาตามอัธยาศัยตามสบายถ้ายุคใดสมัยใดฟรีอย่างนั้นฟรีสินห้านะ ยกโลคยุกนั้นสมัยนั้นจะเรือร้อนวุ่นวายคิดดูให้ดีกัแล้วกันพวกเราถามดูสิว่าคนที่ติดคุกในติดตารางจะเป็นเมืองไหนก็ตามจะเป็นเมืองอุดรก็ตามจะเป็นคุกตารางไหนก็ตามให้พวกเราถ้าไม่เชื่อให้ไปกระดาษไปนั่งจดดูซิว่าเข้าคุกมาคราวนี้คุณเข้าคุกมาผิดกฎหมายข้อไหนเขาก็จะบอกให้ฟังเลยว่า สิทธิ์ฆ่าคนบ้างพยายามฆ่าคนบ้างเบียดเปลี่ยนทุบตรีร่างกายของคนบ้างฆ่าสัตว์บ้างยังนี้เป็นต้นอันนี้คื อ, คอผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วศีลข้อที่หนึ่งคือห้ามฆ่าทำร้ายร่างกายทำร้ายทำลายคนอื่นเขาศีลข้อที่หนึ่งอาทินนาทานสรุปแล้วคือคือคนที่เข้าคุกต้อเข้าตลรางนะ โดยมากผิดสินห้าทั้งนั้นเพราะนั้นสินห้าจึงเป็ น, ส, นสินที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากถ้าเรารู้จักคุณค่าของสินนะเว้นเสียแต่คนหูหนวกตาบอดคนไร้ปัญญาคนไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจนะมองไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมแต่ว่าพวกเราใช้สติใช้ปัญญามองรอบขอบเขาเราเขาเราอย่างที่วา เขาต้องการความสุขเราก็ต้องการความสุขเมื่อเขาต้องการความสุขเราต้องการความสุขพระยาเบียดเปลี่ยนขัดกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่ง ก, กันและกันนี่แหละคือสินของพระพทุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลนะอยู่กับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอยู่กับพวกเราทุกๆท่านสินเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตให้ฟังฟังเอาไว้ถึจะรักษาได้หรือไม่ได้ก็ตามให้ฟังเอาไว้จริงไหมอันนี้คือคือศิน เรื่องธรรมต่อมากับเรื่องสมาธิธรมให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนารืยเฉพาะอย่างยิ่งพระกูบาใหม่หรือว่ากูบาเก่าก็เถอะหรือคณะัทหายาโยรก็เถอะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรื่องแนวความคิดเนี่ยคื อ, คอเรื่องสมาธิถ้าคนมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเอง จะคิดอะไรจะทำอะไรให้มีการยับยั้งให้มีการตรวจตราดูเสมอนั่นแหละอันนี้ก็คือทำให้จิตใจของพวกเราสงบพรมเย็นเป็นสุขได้แต่พวกเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสมาธิในตัวเองแล้วนั่นแหละบ้าบ้าบ้องบ้องบอๆไปเรื่อยทีนี้ก็คิดจะจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจตามตา ม, ตา ม, ตามอัธยาใจ เ, าเสียหาย ในชุมชนสังคมของพวกเราวันนั้นให้พวกเรานะอันนี้คือธรรมนะหลวงพ่อพูดนเพื่อนนั้นคือศีลศีลและธรรมอันดับแรกหนะลวงพ่อเรื่องพูดเรื่องทานนะการอยู่ด้วยกันมีการเสียสละต่อกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีการเสียสละนะถ้ามีศีลศีลคุ้มครองต่างคนต่างมีศีลก็ร่มเย็นเป็นสุขต่างถ้าว่าตัวเองมีธรรม ตัวเองมีสติสัมปชัญญะฝึกหัดในการปรับปรุงแก้ไขใจของเรานะั่นแหละใจของเราจะโดดเด่นที่มีความร่มเย็นผาสุขหลักของพุทธศาสนาท่านถือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้ว้วยใจ นั่นถือเรื่องใจเป็นใหญ่นะอา้าตอนนี้ไปฟังพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอเนื้อตนนี้นั่นนะชนีสมชายมันร้องรบกวนเสียสมาธิในการฟังนะวันนี้สมชายสมชายอะไรมันคงอยากจะร้องเพลงเต็มทนมั้งแล้วก็ถ้าสมชายร้องอย่างนีตัวมากมันจะอุ่นนะถ้ามันหนาวมันหลายวันแล้ว สมชายบอกเป็นอุตุประจำวัดนะรับพอในเสน่นะ้า